เรื่องเปรียดมีรูปเป็นสิกขมามนาหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครืครั้งนั้นท่านพระลักณะกับพระมหาโมคลานะพักอยู่ที่เขาชิจกูดครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคละนะครองอันตรวาศกถือบาทและจีวรเข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่ เชิญชวนว่าทลักษณะมาเถิดพวกเราจะไปบินธบาตในกรุงราชครื่ด้วยกันพระลักษณะรับคําแล้วขณะที่พระมหาโมคคลานะกําลังลงจากภูเขาคิจจกูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มพระลักษณะถามว่าท่านโมคลลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคคลานะตอบว่าทลักษณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้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 ได้แสดงอาการแย้มอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมฆลลานะตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นสิกขมานาเปรตลอยในอากาศสังคาติบาทประคดเอวและร่างกายของมันถูกไฟติดลูกชนจนมาร้องครวญครางกระผมมีความรู้สึกว่าน่าสะใจจริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้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 แต่ไม่พยากรณเพราะการพยากรณ์ น, นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นสิกขามานาชั่วในศาสนาพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกมาอยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้รับอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือ โมฆะคารณะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่54